ข้อความในทระสุตันตปิฎกมหานิเทศนั่นนะปุราเพทสุตานิเทศที่สี่ที่สิบข้อความในทระสุตันตปิฎกมหานิเทศนั่นนะปุราเพทสุตานิเทศที่สี่ที่สิบ ข้อสาหน้าหนี่ก็ยังกล่าวถึงคุณธรรมของพระอรหันต์อยู่ว่าพระอรหันต์นั้นท่านมีคุณธรรมอย่างไรคถาก่อนที่กล่าวไปว่าบุคคลผู้นั้นแลคือพระอรหันต์นั่นแลล็เป็นผู้ที่ไม่โกรธไม่สะดุงไม่โอโอดไม่มีความลำคาญพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านสำรวมวาจาเป็นมุนี บุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วผู้เห็นวิเวกในภาษาทั้งหลายและไม่ถูกนำไปในเพราะทิฏฐิทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในอนาคตก็คือไม่ต้องการอนาคตและก็ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ผ่านไปแต่ก็ไม่ใช่นั่งเบื่อเฉยเฉยไม่ใช่เห็นวิเวกในภาษาทั้งหลาย ตรงนี้เป็นสําคัญเนี่ยนะคือเห็นวิเวกในภาษาทั้งหลายและไม่ถูกนําไปเพราะทิฏฐิทั้งหลายคือไม่มีทิฏฐิตัวใดที่จะนําพาท่านไปคําว่าบุคคลผู้ไม่มีตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตความว่าตันหาท่านเรียกว่าตันหาคือเครื่องเกี่ยวข้องเครื่องเกี่ยวข้องก็ได้แก่ความกําหนัดความกําหนัดนักความกําหนัดกล้าความกําหนัดแห่งจิตเนี่ยนะ พวกอภิชาโลพาอากุศลมูลนั้นตันหาเครื่องเกี่ยวข้องนั้นอันบุคคลใดละตัดขาดสงบประงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสรยจแล้วด้วยไฟคือยานแม้เพราะเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่าผู้ไม่มีตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคต อ, อีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้ไม่ตามเพลิดเพลินในในรูปว่าในอนาคตการเราเพึงมีรูปอย่างนี้ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีรูปเช่นนั้นมีรูปงามแบบนีนน้ไม่ตามเพลิดเพลินในนามว่าในอนาคตการเราพึงมีเวทนาอย่างนี้นนนคือมุ่งหวังสแสวงหาแต่ความสุขมีสัญญาอย่างนี้มีสังขารอย่างนี้มีวิญญาณอย่างนี้ก็คือปรารถนานามธรรมแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่าผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตก็คือไม่ได้สร้างความหวังว่าอนาคตต่อไปเนี่ย พึงมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้หรือว่าชาติหน้าเราพึงมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้หรือชาติไหนๆต่อไปก็ตามท่านไม่ตามเพลิดเพลินด้วยอำนาจตันหาทิฐิแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งบุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อได้จากสุและรูปที่ยังไม่ได้ว่าในอนาคตการเราพึงมีจากสุดังนี้มีรูปดังนี้เพราะเหตุที่ไม่ตั้งจิตไว้จึงไม่เพลิดเพลินในจากสุและรูปนั้น เมื่อไม่เพลินในจักรสุและรูปนั้นก็เป็นผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตแม้ด้วยเหตุอย่างนี้นะไม่ได้ตั้งความหวังตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีตาต่อไปในอนาคตในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่ศึกษาพระธรรมไม่เข้าใจเนี่ยนะฟังแต่ประโยคตรงนี้เฉยๆโดยที่ไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังก็เลยไม่หวังอะไรสักอย่างไอ้คาว่าไม่หวังเลยเนี่ยนะในขณะเดียวกันก็ข้อที่สําคัญต้องเห็นวิเวกในภาษะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ อันจากคถาที่กล่าวไปเนี่ยผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาในอนาคตเนี่ยก็คือเห็นว่าอนาคตก็คือขันห้านั่นแหละอนาคตก็คืออายตนา12บสองอันอนาคตคือขันห้าขันห้าก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งเหมือนกันหมดอายตนา12ก็เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมันเมื่อเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยสภาพที่เหมือนกันคือไม่เที่ยงขันห้าที่เกิดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นการมีขันห้าคือการมีทุกข์ เมื่อท่านเห็นว่าไอคันห้าหรืออายตนะสิบสองที่ที่เกิดขึ้นในภพต่อไปเนี่ยนะการเกิดบ่อยๆก็เชื่อว่าเป็นทุกข์ร่าไปทั้นการมีอายตนะหรือมีขันต่อไปก็คือการมีทุกข์นั่นเองมันไม่ตั้งความปรารถนาว่าอนาคตการเรามีหูอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้มีจมูกอย่างนี้มีกลิ่นดังนี้มีลิ้นดังนี้มีรสดังนี้มีกายดังนี้มีโพธพภะดังนี้มีใจดังนี้มีธรรมมรมอย่างนี้ เพราะท่านไม่ไม่ตั้งจิตเอาไว้คือไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีตาหูจมูกลิน้นก า, ายรูปเสียงกลิน่นรสโพธิภาพเนี่ยจึงไม่เพลิดเพลินในอายตนะไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อมีอายตนะเมื่อไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อมีอายตนะเนี่ยจึงไม่ได้เพลิดเพลินในอายตนะเมื่อไม่เพลิดเพลินซึ่งอายตนะนั้นก็เป็นผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตแม้ด้วยประการดังนี้ อีกอย่างหนึ่งบุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้พบที่ยังไม่ได้ว่าเราจะเป็นเทวดาหรือเทพตนใดตนหนึ่งเนี่ยนะด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพรหมจันทร์อันนี้คือไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ประพฤติวัดรักษาบําเพ็ญปฏิบะหรือพรหมจันทร์เนี่ยนะเพื่อเป็นเทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่ไม่ตั้งจิตไว้จึงไม่เพลินในภพนั้นเมื่อไม่เพลินในภพนั้นก็เป็นผู้ ไม่มีตันหาเกี่ยวข้องในอนาคตแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพภชภะหรือว่าเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ได้ตั้งความหวังไม่ได้ตั้งความปรารถนาไม่ได้ตั้งความเพลิดเพลินไว้อย่างนั้นเนี่ยนะจากคถาที่ว่าเป็นผู้ไม่มีตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตนก็คือไม่มีตันหาไม่ได้ปรารถนาอนาคตเลย คำว่าไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วคือไม่เสียใจถึงสิ่งที่ผ่านไปความว่าไม่เศร้าโศกถึงวัตถุที่ปลุนแปรปรวนหรือเมื่อวัตถุแปรปรวนไปแล้วก็ไม่เศร้าโศกถึงคือไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ลำพันถึงไม่ทุบ อ, อกคร่ำครวญไม่ลหลงไหลว่าจักสุโสตะคานาชิวหากายของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะของเราเนี่ยแปรปลุนไปแล้ว สกุลหมู่คณะอาวาสลาบยศสรนเสริญสุขของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วจีวลบินธบาศเสนาสนักขี่านัปัจจัยเพศสัตว์บริขารของเราเนี่ยแปรปรวนไปแล้วมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงบุตรธิดามิตรอมาตตพวกพ้องญาติสาโลหิตของเราแปรปรวนไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่เศร้าโศกถึงวัตถุภายในเนี่ยนะในร่างกายอะไรก็ตามที่อยู่ภายในเนี่ย ที่มันเสียหายผ่านไปในอดีตก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจถึงแม้สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องห้อง ห, อ, งหอเรือสวนไรนะ่นาไม่ว่าจะเป็นคู่ครองบุตรภริยา น, นะลูกทั้งหลายทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่แปรปรนไปก็ไม่ได้เศร้าโศกถึงสิ่งเหล่านั้นที่มันผ่านไปเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยสมัยใหม่ที่เรียกว่าคนเคยรวยเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเศร้าโศกถึงความที่เคยมั่งมีนะเคยมีอะไรก็ตอนเนี้ยไม่มีสิ่งนะั้นแล้วก็เศร้าโศกถึง ถึงสิ่งที่เคยมีมันสรุปใจความว่าไม่มีตัญหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตคือไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อมีขันอายตนะหรือเป็นเทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตแต่ก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออายตนะขันธาตอายตนะของตัวเองหรือว่าสิ่งรอบข้างที่เคยมีในอดีตเนี่ยนะก็ ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเพราะสิ่งเหล่านั้นผ่านไปหรือหมดไปเสียหายไปที่สําคัญก็คือเป็นผู้เห็นเวกวิเวกในผัสสะทั้งหลายเห็นวิเวกในผัสสะทั้งหลายมั้นคําว่าผัสสะเนี่ยนะความว่าได้แก่สัมผัส6ก่อนนะนะคือสัมผัสทางตาเรียกว่าจักขูสัมผัสสัมผัสทางหูเรียกว่าโสตสัมผัสสัมผัสทางจมูกเรียกว่าคารณสัมผัสสัมผัสทางเลนเรียกว่าชิวหาสัมผัสสัมผัสทางกายเรียกว่ากายสัมผัส สัมผัสทางใจเรียกว่าโมโนสัมผัสสัมผัสทางมโนโทวารเรียกว่าอธิวัจนะสัมผัสสัมผัสทางปัญจทวารเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าปฏิฆะสัมผัสสัมผัสเพราะการกระทบวัตถุ ก, กับอารมณ์สัมผัสอันเกื้อกูลแก่สุขเวทนาเนี่ยนะเมื่อผัสสะกับอิทธารมณ์ทั้งหลายคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาก็เกื้อกูลแก่สุขเวทนา ภาษาอันเกื้อกูลแก่ทุกขเวทนาก็คือได้ภาษะกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีก็เกื้อกูลต่อทุกขภาษาอันเกื้อกูลแก่อทุกขฆมสุขเวทนาก็คือภาษะที่เป็นมัชชตะตาปานกลางทั่วไปก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบคาภาษาอันเป็นกุศลก็คือรูปะเอ่อมหากุศล8รูปาวจรกุศลห้รูปาวจรกุศลสเนี่ยนะภาษาอันเป็นอกุศลก็คืออกุศล12ก็คือภาษะในโลภะแปโทสะสองโมหะสอง ภาษาอันเป็นอพยากตะนี่มีห้าสหก็คือวิบาก36กิริยา20เนี่ยนะภาษาอันเป็นกามาวจรก็คือกามาวจรห้าสสีภาษาอันเป็นรูปาวจรก็รูปาวจรสิบห้าภาษอันเป็นอรูปาวจรก็คืออรูปาวจรสิบสองภาษาอันเป็นสุญตะก็คือภาษาที่เกิดจากการเจริญอนัตตานุปัสนาเนี่ยนะภาษาอันเป็นอนิมิตะก็คือภาษะที่เกิดจากการเจริญอนัต อนิจจานุปัสสนาภาษะที่เป็นอปปนิหิตะก็เป็นภาษาที่เกิดจากเจริญทุกขานุปัสสนาฉะนั้นภาษาที่เป็นสุญตาอนิมิตะอปปนิหิตะเนี่ยนะก็แบ่งเป็นว่าถ้ายังเจริญวิปัสสนาก็นับว่าเป็นภาษะที่เป็นโลกิยะในช่วงที่ตามเห็นขันธาตุอายตนะโดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นต้นเนี่ย ภาษาเหล่านี้ก็ยังเป็นวิปัสนาอยู่วิปัสนาที่เป็นโลกิยะถ้าอบรมเจริญภาษะเหล่านั้นเนี่ยนะภาษะที่เป็นสุ ญ, ญาตานุปัสนาอานิมิตานุปัสนาอัปนิหิตานุปัสนาทัานก็จะเป็นอุปนิสัยแก่นิพิถานุปัสนาวันนี้พิทานีาน้เป็นอุปนิสัยแก่ภาษาที่เป็นโลกุตระก็คือภาษะที่เป็นโสดาปฏิมัคโสดาปฏิพ้นภาษะที่เป็นสากท า, าคามิมกัสากสกะทาคามิพ้น ภาษาที่เป็นอนาคามีมักอนาคามีผลภาษาที่เป็นอรหัตตมักอรหัตตผลทีนี้ภาษาทั้งหลายเนี่ยนะก็ภาษาที่เป็นอดีตก็คือภาษะที่ผ่านไปแล้วภาษาอันเป็นอนาคตกับภาษาที่เป็นปัจจุบันภาษาคือความถูกต้องกิริยาทุกปอกที่ถูกต้องความเป็นแห่งความถูกต้องเห็นตานนี้นี่ชื่อว่าภาษะ คำว่าผู้เห็นวิเวกในภาษาทั้งหลายเนี่ยนะคำว่าเห็นวิเวกนะวิเวก ค, คือความสงัดเนี่ยคือเห็นผัสจักคู่สัมผัสนะคือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจเนี่ยว่าเป็นของว่างจากความเป็นตนคือภาษานี่ไม่ใช่ตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนคือไม่ใช่ของของตนนะภาษทาั้งภาทางตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจไม่ใช่อัตตา แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคือไม่ใช่เป็นบริขารของอัตตาอัตตาไม่ได้อยู่ในนั้นเพราะนั้นภาษาอันนั้นจึงว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนแล้วภาษะที่กล่าวไปเนี่ยนะภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยว่างจากความเที่ยงไม่มีภาษาทวารไหนที่เที่ยงอย่างจริงนะว่างจากความยั่งยืนคือเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองว่างจากความเป็นของเที่ยงว่างจากธทำที่ไม่แปรปลวนเนี่ยนะ ว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาว่างจากความเที่ยงว่างจากความยั่งยืนว่างจากความเป็นของเที่ยงว่างจากความไม่แปรปรวนอนนััภาษาทั้งหกทวารเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็พวกนี้ก็เจริญอนัตตานุปสนานั่นเองนะเจริญอ น, อนัตตานุปสนาในาภาษาทั้งหกทวารที่คือภาษาที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจ หรือภาษะทางปัญจทวารหรือภาษาทางมโนทวารเหมือนกันเห็นภาษาทางปัญจทวารภาษะทางมโนทวารว่าเป็นของว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนว่างจากความเที่ยงว่างจากความยั่งยืนว่างจากความเป็นของเที่ยงว่างจากธรรมที่ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาก็คือมันไม่ใช่ตนไม่ใช่ของของตนมันไม่ใช่ของเที่ยงไม่ใช่ของยั่งยืนไม่ได้เปรความเป็นของเที่ยง แล้วก็เป็นสิ่งที่แปรแปรปรวนแน่นอนนะนะทั้งปัญจทวารทั้งมนทวารหรือภาษาอันเกื้อกูลแก่สุขเวทนาภาษาอันเกื้อกูลแก่ทุกขเวทนาหรือภาษาอันเกื้อกูลแก่อุเบกขาเวทนาอันภาษะในทวาร6เนี่ยนะถึงจะเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ตามเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ตามเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาเวทนาก็ตาม <S <S <S เป็นปัจจัยแก่อภยยากตะก็ตาม อันความประชมกันเนี่ยนะคือประชมวัตถุอารมณ์วิญญาณนี่เรียกว่าผัสสะอันผัสสะเนี่ยทั้งจากเกื้อกูลแก่กุศลอกุศลหรืออัพยากตะหรือตัวผัสสะเองเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะภาสสะเหล่านั้นก็เป็นของว่างจากตนเป็นของว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นของว่างจากความเที่ยงว่างจากความยั่งยืนว่างจาก ความเป็นของเที่ยงว่างจากความเป็นของไม่แปรแปรปวนไปนะก็คือสรุปว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตานั่นเองหรือภาษาทั้งที่เป็นกามาวจรรูปาวจรอะรูปาวจรเนี่ยนะว่าโดยภูมินะกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยภาษะเหล่านั้นก็เป็นของว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนว่างจากความเที่ยงว่างจากความยั่งยืนว่างจากความเป็นของเที่ยงว่างจากธรำที่ไม่แปรปรวนเนี่ยนะ มันก็เห็นภาษะความประชุมกันในภูมิสามเนี่ยก็เป็นของว่างจากตนจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเหมือนกันแล้วก็เห็นภาษะที่เป็นสุญยญะเห็นภาษะที่เป็นอนิมิตะภาษะที่เป็นอปปนิหิตะหรือว่าภาษะที่เป็นโลกิยาภาษะที่เป็นโลกุตระภาษะทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นของว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนว่างจากความเที่ยงว่างจากความยั่งยืนว่างจาก ความเป็นของเที่ยงว่างจากธรรมที่ไม่แปรปรวนไปบ้างนั่นนะอันสรสุปเซ็งเราเนี่ยวิเวกเหมือนกันคือมันศูนย์นะศูนย์จากความเที่ยงเป็นต้น